ในวันนี้นะ่ะเป็นวันธรรมสวรณะเป็นวันพระแรงข้าเดินเก้าเป็นปัจจุบนะันในสมัยคือโอกาสบัดนี้นั่นวันพระเป็นวันที่เราจะแสวงหาพระวันิจจนจิตใจเจริญสัตวมาฐานรักาอุโบสถประสิท <c oughs> โดยเฉพาะท่านอุบาสมปฏิกาก็ตามและท่านผู้ไขรมสัมมาปฏิบัติมมยเจริญสังกรรมาฐานเพื่อให้เกิดความรู้และการคิดออง ก, การให้เกิดสติปัญญาการเจริญกรรมาฐานมีความสำคัญอยู่ที่ความรู้และความคิด มาปฏิบัติธรรมลักษาาบดดูชดกสินต้องการเพิ่มความรู้และเพิ่มความคิดเพิ่มสติปัญญาของเราทุกท่านอันนี้นับว่าเป็นประโยชน์ประจำชีวิต ท, ทุกท่านทุกท่านทุกลูกนามดยการ <c oughs> ในวันพระธรรมสมณะอย่าได้ลบละภาวนาที่เราตั้งอธิษฐานเสร็จมาวัน เข้าวัดศาลแลดูฝนในวันพระเข้าวัดศาลถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายในวันแรมค่ำอาบพิธานปังศาก็ถวายผ้าจํานำปังศาแทนในวันออกพรรษาเพื่อเต็มใจโยจ่แกพระสงฆ์องค์เล่นมากมายหลายประการ แต่แล้วแล้วเราก็อธิษฐานเข้าวัดสาเหมือนกันว่าเข้าวัดสาสีสามเก้านี้จะเป็นสีการนาพิเศษเราจะเลี่ยงรักสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่สามารถได้ตามความสามารถของท่านทั้งหลายอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของท่านพุทธบริษัทและพุทธษาทุกาช น, นผู้ดีปีดารัก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 ในวันคำสภาวนาของก้อนเช่นในกล่าวมาแล้วณขณะนี้ท่านผู้ตบใบัตว์ทั้งหลาย <c oughs> เลื่อวนขวายในธรรมกัมาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้เป็นก่อนการปฏิบัติธรรมของท่านก็จะได้รับผลเริ่มต้นแต่ตามสวดมนต์ไว้พระตามระดับที่ทีนี้เสร็จแล้ว เราก็ยึดมั่นตัง้งมั่นในการบำเพ็ญศีเจริญกุศลภาวนารับธรรมฐานใส่ใจิตเพื่อให้ชีวิตเกิด ค, ความรู้เกิดความเข้าใจเกิดไม่เกิดแหน่งแลงใจไม่มีไรลังเลสงสัส ย, ยต่อไปจากการปฏิบัติให้เกิดความคิด เรามีสธิปัญญาสามารถการปฏิบัติชอบในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่นั้นวันนี้ก็จะแสดงปัญญาธรรมที่ว่าการเจริญกรรมฐานทำให้เกิดความรู้จเจริญกรรมฐานทำให้เกิดความคิดทำให้กระตุ้นเตือนจิตให้เส่แฉขะขวางเพื่อต้อการเร่งรักพัฒนาชีวิต เราจะได้ไม่ทา่าผิดในชีวิตต่อสังคมต่อไปในโอกาสข้างหน้านั้นจึงได้ขอที้แจงแสดงธรรมะบรรยายเากี่ยวกับความรู้และความคิดต้องการให้ท่านยึดมั่นในสติสัมปชัญญะในกรรมฐานจเจริญสติปัฏฐานสีเป็นอุดมการที่ดีสุดไดังนั้นขอพุทธบายษัททั้งหลายทรง สร้างโสดกับประสาทดุลธนะพัฒนะทองรองรับธรรมบรรญายก็ขอท่านจงสนใจตั้งใจฟังศึกต่อไปณโอกาสบัดนี้ขอจเอจริญพรเจริญุกโดยทั่วกันณนบัตนี้ตอนน่อไปขอให้ท่านตั้งขวันานาจิต สร้างสติสัมปชัญญะที่เร า, าเรับกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสีกายานุปัฏฐานสป่สฐานต้องการให้เรามีสติอยู่ที่กายในสภาวะลู่ให้มันชัดเจนองการจะให้จิตมีสติสัมปชัญญะอยู่ในนามเรียกว่านามธรรมา เป็นการสร้างถึงจะทําให้เด็เกเปิดกระนกของตอนจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมีความคิดเพิ่มขึ้นไม่โง่ไม่คลึกไม่งมงายมีการจิตใจเจอแสงสว่างในธรรมจะไม่เป็นคนงมงายและซื่อและซึกและชัหมายความว่าท่านมีสติปัญญาสัมปชัญญะแล้ว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 มันเจ็บันาดนี้แต่แล้วเราจะได้มีสติมีสัมผััญญะเรียกว่าโอง์ภาวนาปวดหนอ่อมปวดหนอมมีข้างสติมีข้างสัมผัสัญญะเกิด อ, อะไรขึ้นมาเกิดความรู้รู้เวทนาข้องต้นเกิดความคิดโดยมีสติสัมผััญญะสามารถแยกเวทนาออกเป็นสาดส่วนได้แยกคิดได้ รองกันนามก็แยกอันไายไม่ผสมประสานกันโดยบัญญัติแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการเจริญจับกรรมฐ า, านเนี่ยเป็นการสร้างสังค์ธรรมะไว้ในจิตทำให้เราเกิดความรู้ความคิดเกิดสติปัญญาได้สมมากศปาสนาทุกประการมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมมากมายหลายอย่าง ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยที่ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมีความประสงค์อันใดอันมีจุดหมายปายทางประการใดบางท่านพูดโทรมาพูดบอกว่าพุดโธมานานแล้วทําไม่ได้แต่ข้อแท้จริงพูดโธเนี่ยกส ม, มาทํามันต้องขึ้นปีเนี่ยเจริญนาปาแล้วเราให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ก็เหมือนพุดโธแต่เรามีสติ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 กานจะรู้ไม่จริงกานจะรู้ปลอมปลอมรู้ไม่แน่นอนการจะไม่มีความคิดที่ถูกต้องก็การจเจริญะกรรมฐานต้องการมีความรู้ซึงรู้เผื่อรู้ผ่นรู้กฎแห่ง ก, กรรมทังตนได้สามารถจะแก้ปัญหาในความรู้อันนั้นออกมาเป็นเอาออกมาเป็นความคิดความคิดนี้น่ได้มาจากสติ ปัญญาัองตนได้จากความรู้นั่นเองความรู้จะได้มีผลเป็นเหตุความคิดก็จะได้เป็นผลงานสมนปราธนาวัตถุกระสงคงก็คือตัวปัญญาจะได้หลอกรลวงกองการขั้งขาน่านจะอ่านตัวออก่านจะบอกตัวได้ท่านจะท่ายตัวเพ่ง่ันจะเห็นตัวตายได้ตายคือดับ ร่างกายสังขานี่ไม่ใช่ร่างด่างเด่นแบบกระตาา่างดาวต้องมีแต่มีเจ็บมีตายอยู่กันเช่นนั้นแล้วอาจารย์ต้องกร่าวว่าต้องท้าท่าจากสันกายไม่มีวันจะพบัผลดีต่อไปแล้วแล้วท่านจะเอาอะไรมาเป็นหลักเดี๋ยวก็ฟุตโทเดี๋ยวก็ละหังเดี๋ยวก็อินทิพยโสเดี๋ยวก็อย่างโง้ออย่างนี้ลับล้อมสี่ปีแล้วท่านถึงก็ได้ผมท่านจะขับสนไปเกินไป ปฏิบัติให้มันถูกหลักปฏิบัติให้มันถูกทางด้วยการจเจริญมัตตคือสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นข้อกลาดองการให้เรามีสติในสมาธิองการให้เรารู้ตัวในสมาธิจิตมันถึงจงมัน่นจิตถึงจงมั่นคงจิตจะได้ไม่หละหลวมเหรืออจิตท่านจะได้ดำรงไปสู่จุดมุ่งหมายของการงานและหน้าที่ อาจจะเกิดความรู้จากการทำงาน่านจะเกิดความคิดจากใช้ชีวิตต่อการงานและหน้าที่ของท่านการจะแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการนี่เป็นผลจากการเจรจิญสตรัมฐานเมืม่เคยมาวันเดียวบางคนมาบอกมาวานขออยู่วันหนึ่งได้ไหมวันเดียวท่านจะได้อะไรแ้มาคุยกันก็ไม่ป็นเรื่องเป็นราวเลย นักภาษาอะไรจะอยู่แค่เจ็ดวันเธอวันเดียวท่านก็มาใดเลี่ยงเวลาแล้วกลับไปก็เปลืองเวลาเสียเวลาท่านมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเสียเวลามาเพื่อใดบุญกุศลจะได้รู้จะได้ความคิดจะได้รู้ซึ้งในจิตใจของทางอ่านเองถึงจะได้รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรถูกผิดประการใดแต่จะได้จากการจเจริญสัตวรรมฐานนี่ น, นอน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 ีนุ่งขาวห่มขา ว, ขาวที่ท่านมาปฏิบัติทำขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังขอให้ปฏิบัติให้เด็ดผลขอให้ได้อานิสงส์เป็นผลงานงชีวิตแม่และท่านทั้งใจได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความคิดได้ทั้งมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้แม่ถ้าไม่เข้าเลาะนี้สุดนี้แล้วท่านจะไรผมท่านจะมาปฏิบัติให้มัาเสียเวลาไป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 เอากรรมฐานไปผูกให้จิตนั้นไม่เกิดความรู้ครึ่งรู้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ของชีวิตในกิจตระจวันนั้นการจะได้ประโยชน์จากผ่าปฏิบัติมากไม่ใช่มาชิมชิมเหมนจามกันวันสองวันแล้วกลับไปว่าได้มีโอกาสมาเจริญกรรมฐานแต่ท่านที่ไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติโดยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเอาไปพดโธ เดี๋ยวเดินพุทโธจะเดี๋ยวก็พุทโธเห็นพุทโธเห็นพุทโธเห็นเดยอยากจะเห็นเทวดาอยากจะเห็นนิมิตเลยท่านชาติผิดเสียดายเสียกายด้วยท่านจะไม่ได้ดวงปัญญาท่านจะไม่ได้ดวงสติดวงสมปัญญะท่านจะไม่ได้ธรรมะอยู่ที่จิตอยู่ที่กายทั้งคันท่านก็จะไล่เหตุผลท่านจะไม่มีอเนกสงในการปฏิบัติธรรมแน่นอนที่สุด นี่เพราะปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกทางแล้วท่านจะได้อะไรย่มมาบนไม่ได้ไม่ใช่วาง่ายนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นของอยากเท่าไรนะไม่ง่ายยากแต่ท่านตัางใจปฏิบัติจริงต่นจะจริ่นน้อยนอนน้อยพูดน้อยท่านจะไม่คุยกันแล้วท่านจะต้องได้ผลจริงชายก็จริงหญิงก็แท้ ที่แน่ๆเลยคือคนแก่ที่น่าบีชาเคารพนับถือถาที่แน่ก็คือชายจริงหญิงแท้ที่แน่นอนกันนั้นก็คือผู้มีปัญญาอุหลอบรู้ในเหตุผลข้อเท็จจริงรู้บาปบุญคุณโทษถึงที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ท่งนั้นท่านจะรู้ออกมาอย่างชัดแต่ท่านไม่รู้ตรงที่กล่าวแล้วท่านจะเสียดายเวลามางคิ ปฏิบัติผิด ๆ, ๆิดถูกถหอมเยอะอย่างโน้นบางอย่างนี้ไม่ได้ผลตายอย่างโน้นต่ออย่างน้นมาได้ผลตายอย่างโน้นต่อท่านอีกสี่้อยปีละไม่เป็นผูโ้โขลร้องแล้วอคร้อยตามไม่เป็ข้อโขดแต่สรการใดกองปฏิบัติโดยต่อเ น, นื่องและปฏิบัติให้ถูดกด้วยถ้าปฏิบัติผิดแล้วท่านจะไม่ได้ใ น, นสงฆงก็จะไม่ได้แต่ท่านทั้งหลาย จุดละกาออกมาอย่างนี้เป็นผลงานของทาง่านการเจริญกรรมฐานเนี่ยตองการให้จุดนี้อย่างมีปัญญามีมความรู้มีความคิดตองการเอาจุดของทาง่านนี้ให้เกิดแสงะว่างส่งมาคามันคาเดินทางจะได้ไม่พลาดิที่ดืจะแจ่ใจทำอะไรก็ได้ผล ที่มาทำ ป, ปฏิบัติมากๆนั้นไม่ได้ผลเป็นเหมืนมากในที่นาทิได้เวลาเหมือนกันก็ทําไม่จึงสร้างไม่ได้สร้างฐานะที่มีเหตุผลเลยเลยปฏิบททัติผิดปฏิบัติตามอาลมตามใจตัวตามตัวใจก้อนเอาอย่างไงก็ได้เลยก็ปฏิบัติตามชอบไม่มีกรอบขอบเขตของธรรมะ โดยธรรมะความหมายสิ้นกระถึกอยู่ในจิตใจของฉันยาไหนเลยและความรู้ฉันจะเกิดความคิดฉันจะเกิดความรู้ที่ได้จากภาวนาเรียกว่าความรู้ไม่ต้องอา่านหนังสือมีตัวมันจะเกิดขึ้นเองโดยสติปัญญาของตอนเรียกว่าปัญญามมีเฉพาะตนปัญญามมีเฉพาะตัวเท่านั้นไม่ใช่หมายความมากกว่นีเราปัญญามาให้เราได้เราต้องสร้าง เราต้องทำมันถึงจะเป็นผู้มีปัญญาได้การที่เราเรียนรู้หนังสือใครก็เรียนทันกันตังนั้นแต่การปฏิบัติธรรมีันจะทันกันไม่ได้แต่คนไหนมีความเพียรมากมีวิรยิยะอุสาหะพยายามมากขึ้นมันก็ได้ปัญญามากขึ้นคนที่ขาดวิรยิยะขาดความเพียรแล้วปัญญาก็ไม่เกิดเกิก็ไม่ได้ ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรานั่นได้นี่จึงนี่ขอฝากไว้ในวันธรรมวะนะนอ์ธรรมศระนี่คือเดี๋ยวก็วนรรันพระเผลอไปหน่อยวนรรันพระอีกเดี๋ยวอีกไม่ช้าก็วันพระแลมสิ่ผ้าทับจะขึ้นเลี้ยงต่อไปแต่นี่เดือนต้าอาจจะเป็นเรือนขาดาจาพุชีเป็นจาสุขาโสก็ได้ ลองดูปฏิทินให้มันแน่นอนนี่บางทีก็วันพระเจ็ดวันบางพระหกวันขาขึ้นเดือนไปหนึ่งวันคือเดือนขาดเราก็ต้องเคียเวลาไปหนึ่งวันเหมือนกันแต่ช่วงกันนั้นเดือนขาดหรเดือนเต็มก็เท่ากันมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติบางครก็บอกวันพระเล็กวันพระใหญ่อากมาก็ถามวานพราเล็กกับวันพระใหญ่มันต่างกันเนีืย ต่างความเจ้าวันชาเล็กเป็นยังไงแต่ข้ามเล็กกว่าวันชะเล็กอาพิถ้าข้ามเล็กกว่าวันชะใหญ่แล้วการปฏิบัติของข้ามันใหญ่หรือมันเล็กมันเล็กที่มันใหญ่ก็แห่เดิมมันแหละไม่มีอะไรดีไปกว่เดินแหน่วันชาใหญ่ก็มาทําบุญวันชาเล็กไม่มาวันชาใหญ่ก็มาปฏิบัติกรรมฐานวันชาเล็กไม่มา โลกเลใหญ่มันใช่การที่ทั้งปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติได้มันก็เท่ากันหมดแต่หา ก, กว่าวันพะที่ท่าทานตุนกระฆาใหญ่เราก็มารับว่าถือว่าทนนําบุญวันท่านใหญ่แต่ไม่เคยเจริญกรรมาฐานมานั่งคุยกันมานั่งนินทากันผู้คนที่มาวันพะเล็กไม่ได้แต่ข้าก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมาฐานไม่พูดกับใครเลย คุณน้อยนอนน้อยพูดน้อยทํความเพียงให้มากในวันทามสมงอนั้นก็ฉะนั้นก็ขอสรุปเกต่ความว่าวันพะเท่ากันหมดเวลาก็เา่ากันหมดไม่มีรกลามเลยโยมไปเรียกกันเองว่าวันนี้จะพระเร็ิ์โทมาหาสมาวันนี้ไม่ชอบึกไม่อบพระวันพรานี้ฉไม่ได้ไปวัดไงจะพ้ะฤทธิ์ อาอะไรมาวัดเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาวัดเราเมารลือกมันใหญ่เอาอะไรมาวัดมันมีเครื่องแบบถึงจะรู้ได้อย่งไรรู้ได้งไรรงเงาะถึงเงาะทะลิบเราก็จองเขาเองแล้วคนนี้เข้าใจยังไงฮะเอมันเท่ากันนะนัะ่นเวลาเท่ากันหมดไม่มีรักหลานไม่มีเหลี่ยมนั่นตามสูงแต่ใครหงา จะใช้เวลาแม้แต่วินาทีเดียวให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากว่ากันมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เก่าแล้วโทมาเยอะวันนี้บอกว่าฉันไม่ได้มาแล้วนะวันนี้ชาเลตยันระนาจะนาเพราะมันใหอ่ใหญ่ก็เล็กมันก็เท่ากันไม่เคยปฏิบัติธรรมจะได้อะไรจะได้อะไรไม่ได้เลยท่านสาธิตคนทั้งหลาย การปฏิบัติรรมถานเนี่ยมันเพิ่มพลังความรู้เพิ่มพลังประสบ ป, ประการของชีวิตเพิ่มให้เรามีสติปัญญาเฉลฉลาดสา ม, มารถแก้ปัญหาได้ไม่ใช่คนโง่มันจะโผล่มาเป็นคนโง่คนคืบเงงา่ายต่หาไม่ได้คนที่มีส ต, ติปัญญาเพราะมันเงง่ายเขาจะเชื่อเหตุเชืผลเขาไม่เชื่อคนพูดเขาจะเชื่อโดยพิสูจน์ด้วยตัว ถ้าพิสู่ด้วยตนเองด้วยการจเจริญกรรมฐ า, านมาพิสูจน์จิใตใจของตนเองนั่นแหละถึงจะถูกตอ้องถึงจะรู้ว่าเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาแต่แล้วเราจเจริญกรรมฐานไปเจริญ ก, กรรมฐานไปก็ไม่ทราบว่าปัญญาเราเกิดหรือเปล่มาตั้งเจ็ดวันแล้วไม่เห็นเห็นอะไรไม่เห็นนิมิตเครื่องหมายอะไรเลยมันจะไปเห็นอะไรแล้วเพราะกาเขนงหลายด้วยด้วย ปัญญามันสะสมไวในเนืเ้อจิตตลอดไปลาเมื่อปัญหามันจะออกมาแก้ให้มือทุกข์เราก็ไม่ทุกข์จงตกในทุกข์พอเกิดความทุกข์ความยากความลำบากในชีวิตเราก็จงตกเรามีสติฉันทัญญะาออกไปแก้ทุกข์นันแหละความสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในสติธรรมจากการเจ ร, ริญพอกลับมาถานอย่างนี้ จะลงกรรมาฐานจึิ่เพื่อผลภลิให้เกิดความรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งและก็ไม่ได้ความทุกข์ที่ดีได้สติปัญญาในการแจ้งขายไปหาชีวิต ท, ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันมีประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติทรรมไม่เคยน้อย <c oughs> บางคนมาร้อยแค่หนึ่งก็ยากมนทีมาเดี๋ยวพุทโธเดินเอะขวายากขาย่างนเอยาอยาก พูตาวไปโทรเยี่ยมนี่สองวันนีคนหนึ่งบอกว่าพ่อฉันเดินขวาย่างไม่ได้ข้าย่างไม่ได้ฉันเดินอย่างนี้เนี่ยถูกนะบอกว่าเขาไม่เดินฉันเอาพระพุทธเจ้าไปวัดที่เช้ายมเนี่ยะเอาพระพุทธเจ้าไปวัดที่เช้าเหรอที่มีอย่างมี้หลายคนเสียดายเลประนามพระพุทธเจ้าไปวัดทเช้าพูดโทรมากันอยู่ที่จิตใจ หายใจเข้าหายใจออกลูพุตระตือนเตือนเธอชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลืมหรือเตือนอย่างงอย่างวยเตื่นด้วยความสวยความดีความมีปัญญาเปือนเธอชาวไทยพุทธะแล้ว่าตือนคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นจึนงเรียกว่ า, า, าททพุทธะพุาาะทโธจิติโสภะวะอรหังพุาาทโธจิติโสภะวะข้าพเจ้าไปดีแล้ว ภักษวาแปลว่าฝันดีแล้วสุขโตไปดีแลทักษวาคือองค์สมเด็กพระสัมมาสัมพ็ทธเจ้าคือพิโทโธถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของเราจะได้เกิดแสงขว่างเกิดทั้งความรู้ความคิดเราจะได้มีุนปิติปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างมี้ัป็นต้นนี่เวทนามีสามกายาาีนศาสนานั้นยืนเดินนั่งนอน เ ด, เดียวข่ายแลขวาผู้เหยียดขานน้นคือตายานุปันสาานาอางสติไว้ทุกอวัยบทเป็นการกาหนดจึตให้มีสติให้มีความรู้ให้มีความคิดคิดในเรือ่องรูปนามขานห้าเป็นอารมณ์คิดว่าอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีคิดให้นั้นเกิดปัญญาว่าอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีจะแต่ไขอารมณ์เราได้หยาดไร้วันนี้ขาสนาที่เกก็แค่ความโปรด ผมโยกนกนอโยกนอเป็นต้นเดี๋ยวจะยกตัว อ, อย่างให้เห็นให้ชัจนไอ้โธ่ะาใต้ความโปรดเนี่ยเหมือนกันไหมเห ม, มือนกันไหมไอ้พยาบาทรองล้ายเขาเนี่ยไอ้กาโ่ชากายความโปรดเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันไหมอย่างหลังการโดยพญชนะแล้ว ทุกอย่างมันจะเหมือนกันได้อยังงพยาบาลฆ่าจะพยาเวนจองเวนจองตามกันกับไอ้โทสะเหมือนกันไหมกับไอ้วาทะเหมือนกันไหมกับไอ้โมหะมันเหมือนกันไหมท่านจะได้มีความรู้ขึ้นท่านจะได้มีความแจ้งใจขึ้นถ้าท่านเข้าใจตัวนี้เมื่อไหใดท่านสบายใจเมื่อนั้น เพราะแข่ข้าราคะคือความโกรธแต่จะมีถูกพยาบายข้าพยาเวนอันใดเล่าโกรธเป็นตัวต้นโกรธแล้วมันก็ถูกเวนถูกถูกตามแล้วจึงจะพยาบายกันต่อภายหลังตางเวนช่างตามกันต่อภายหลังมาจากตัวเหตุนั่นเองคือโกรธมันเหมือนกันได้หรือแต่กันได้มันข้าไม่ใช่อันเดียวกันโกรธมาก่อนก็คือราคะ คือโทษะไอลาคะคือกา ร, รมฉันทะมันจะตัวเดียวกันหรือประธางได้โทษะคือความโกรธแต่โรกรธใกล้โทษะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าผ่านจะตอบว่าอะไรคือพยบบาทข่าพยาเวนจองเวงจองตามกันถูกใจเจ็บทำให้ตัวโกรธเหมือนกันไหคนลังแม่พลัมุมหรือเปล่า อาคารเจริญกรรมฐานท่านจะรู้เึงว่าโกรธเ่ต้องตีปัญหาออกมาให้มันรากแย่ yeah, ออกมาเึ่งการถูกโกรกถูกใจเจ็บถูกพยาบาทอิกฉาหรือยาเดี๋ยวมันจะออกมาเข้าล็อกเข้ามาแน่นอนอาตาความโกรธ ด, ด้และความพยาบาทจะมีที่ไหนมันมีแต่แม่ตามีแต่ความปากขนาดีทุกคนไห น, นเลยทุกข์อนจะไปถูกใจเจ็บกับเขาได้ นี่แหลมันต่างกันนะนี่แหละความรู้ใช่มั้ยไดจากรูหนอรู้หนอคิดหนอคิดให้เกิดปัญญารู้หนอรู้ซึ่งรู้ไปลึกน้ําบ้างรู้หบาปลู้บนรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ท่านพิจารณาธรรมฐานได้ไม่ใช่ฉันจะไปฉวานได้อย่างทิพกแค่ต้นนี่ถามอย่าโยนจะตอบว่ายังไงติดตามผลใส ความโกรธกับความกไอโกรธกับไอโทสะอายวกันนี้จ่ะเ ห, หมือนกันไหมตาตอบไปย้วยจโยนทำกรรมาฐานได้โยมจะตอบได้อย่างสวยงามคปธรรมะขบธรรมะแตคนขบธรรมะม า, มาแทรตัวสติแปลว่าอะไรตทา่านรู้สึกรู้จักคาว่าสติตัวต้นก็ตีตัวกลางกตีตัวปลายเมื่อใด ผ่นถึงจะรู้จึงิงปฏิทูตัวต้นก็คือร ล, ลึกก่อนปฏิทูตัวกลางรู้ว่าละลึกจะผลอะไรว่าระโกรธปฏิทูตัวกลางมันจะบอกไอ้ช่อตีตัวปลายก็จะบอกออกไปไปโกรดเขาทําไมล่ะไปเกลียดเขาทําไมไปพยายามมาฆ่าเทวันทําไมล่ะไอ้ตัวก็ิทูตัวปลายมันก็เป็นตัวสามัญญาปัจภาค สติมาช้ำไอคานุสินี้สำคัญเป็ น, มนโมทัมทําให้เรากําหนดจดจำนัดสัญญาอันความดีว่าจะติดใจได้ดจะแยกประเภทว่าไอโธกับไอโทสะอันเดียวกันไหมเหมือนกันอย่างไรถ้าท่านเจริญกรรมาฐานท่านจะได้ความคิดอันนี้อัจะได้ความรู้อันนี้กานจะเรียกีให้แตกแยกการออกจากกัน ว่าเราโกรธเนี่ยเหตุผลมาจากนี่ทำามาถึงโกรธมาจากไหนมาจากไอ้ตัวโมหะไม่มีปัญญามันก็โกรธหน้าใจร้อนวงพลในไหวมาจากเตือโมหะถึงจะให้เราโกรธตัวเองโกรธลูกโกรธเมียโกรธเพือมาเรียนหนังสือลูกเอิคนน้องเกิดคนนี้เป็นก้อนนี่มาจากไหน ออกมาจากไอตัวโทสะไอตัวกิเลสลัวโทสะมาจากไหนมาจากตัวโมหะเพราะไรปัญญามันจึงจะโกกุญนะคนที่มีโมหะไรปัญญานั้นจะไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้มีกจะสร้างปัญหาเพิ่มให้โตธหนักเข้าไปอีกสามารถที่จะฝูกคยาบายฆ่าเยงเย็กันตลอดไปแน่นอนตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญมาก ผูป้ปฏิบัติธรรมตั้งหลายเอ๋ยอาจจะเอาอะไรเนี่ยมีมาหลายคนที่เข้ามาปฏิบัติตั้งเด็ผลอยู่เจ็ดวันมาลาสุดสองพ่อคะเจ็ดวันนี้ฉันไม่ได้พองหน อ, อยุบหนอแล้วแล้วเนทาไหนพิทูจะเดินขวาย่างหรือเปล่าถือเข้าสองขวาย่างซ้ายย่างพองหน อ, อยุบหนอแต่ฉันไม่ทำเพราเหตุาดจึงไม่ทำมันทํำยาก เลยเอาพุธโธเนฉันไปวัดโนนมะเขาพุธโธเดินแบบพุธโธเนี่ยดีกว่าอย่างนี้นะพ่อคะอาดีก็ไปวัดโนนสิขวาย่างหนอนีอ่ปกติซ้ายย่างหนอนปกติแล้วยนทํำยังไงฉันก็ขวาเนี่ยเป็นพุธแล้วก็เหยียบโธซ้ายพุธแล้วก็เหยียบโธ ตามาทำมาก่อนแล้วคืดตีหลวงพ่อในป่าขีข้อนแฉนหมายอะไาตมาอายุยี่สิตีบวบชสามพรรษาท่านบอกเธอไม่บาปมนาะในหลวงพ่อในป่าท่านยังอยูเลยไม่รู้อายุเท่าไรแล้วท่านบอกบาปนะอย่าไปทำถ้าท่านหลวงบอกมาอยู่บวชน้าห้ามอย่าไปแห่ในเกศชิมาเป็นบาวยังไงแล่ในหลวงพ่อในป่า ผกับเป็นขีณาศก ร, ราหารขีณาศกอยู่ใน อ, รอารยาลาวปราบมีจำนวนไม่ใช่น้อยรอยอยู่ทั่วทั่วไปเรียกว่าหมดที่เหลือตามหาก็รอยอยู่ไม่เกิดนี่แหละเราจึงได้ามาปฏิบัติบกื่อจึงได้ผลยืนหนอห้าครลางก็ได้แต่ว่าข้อในตาคิดตรงไหนคิดตรงลิ้นเตะเทตมาได้จะขอหักมันมีตะกี้อยู่ตรงนี้เลยทีเดีย ดึงตื่นและหาใจทางสะดีได้จึงได้ตาลามาสอนเด็กของประสบะการณ์เรียกว่าพฤกษูหน่ายเรียกว่าปัญญาที่จะต้องประสบมาเองจากความตายในวังนั้นีิวันที่คิดตื่นตัวที่จะทอดตาเล่าเป็นประจําทุกปีมาเอาแห ล, ละเป็นวังอนุสรนความกายอาของธรรมาที่คอหักตายและเราได้เพื่อนอันชนิทนิจหายสองคนเพื่อนตายคือธรรมะ บายแกสติสมัยคาญยะเป็นเพื่อนที่จะได้แชร์ปัญหาร่วมกันได้ไม่มีใครเขาช่วยเราได้แน่นอนขอเจินพร อ, อย่างนั้นมีแรงหน้าปฏิบททัติทําม่รู้จะพูดว่ายังไงสิกนะทันมาพลร์พลรรถพลรเ ล, ล, ล, ล, ลือกแล้วก็กลับไปเตรียงเวลาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเนี่ยต่มาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้รู้แต่เป็นผู้ปฏิบัติ และยังเป็นนักปฏิบัติอยู่ยังไม่ถึงครูใครได้ก็ปฏิบัติได้ไหนก็พูดให้โยมฟังเท่านั้นที่ทําได้ทำแล้วได้จะไม่พูดให้โยมฟังองค์สูงสามารถหรือใสยที่จะพูดให้โยมฟังได้เพราะเราทํา ไ, ทไม่ได้เจตมาจะกล่าวต่อไปอะตมาทําได้แล้วถึงพูดให้ฟังมันจะชัดเจนขึ้นนี่เราได้จากหพ่อในตาเห็นจะไปข้างสวนเดร ว, วันสมแก่น บัรนี้เด็กเข้าเป็นเนี่ยปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างดีที่สุดนี่เนะี่ยเอากรรมฐ า, านไปแก้เ ง, ง่วงแงและแก้ไขทาให้คนเหล่านั้นมีปัญญาเอาไปใช้ประจำตูวของเขานี่แหละกรรมฐ า, านจึงได้ผลบางคนมาซึ่อซื่อจามาจามแสเอเสียรัะจะเดินจงกรมทั้งหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแค่สิบปียี่สิบเลิกแนละ้ว แบ่งองกองจึนจึนจามจามแล้วพนานางแล้วก็จามจามแล้วก็จึนจึนเลยทุกขุนก็คอสิงก็สิมเลยก็เจาะแกฉเจาะแฉเจาะแฉเจาะแฉเกิดจายเป็นคนเจาะแฉเป็นคนหอเหลืองแล้วก็เปลี่ยเวลาไม่มีความสงบจิตเลยจากประทานไดออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วขอท่านสาวทุกคนทั้งหลายโปรดพิจารณาให้แง่คิดอนิบัต เช่นยืนหนอห้าั้งจะคิดอะไรไม่ออก <c oughs> ก็ลิ้นตีเนี่ยเอาไว้ทำไมหายใจให้ยาวๆคนที่หายใจช้านี่โมโหแข็งใจร้อนถ้าหายใจยาวๆมันจะมีะสติคิดเป็นมากไมยหลายประการอารมณ์ก็ไม่ร้อนอารมณ์เย็นถึงจะมีปัญญาอารมณ์ร้อนจะไล่ปัญญาไล่เหตุผลจะตัดสินใจได้ไม่แน่นอน ตัด ส, สินใจไม่ได้แล้วตัด ส, สินใจไว้ก็ไม่ได้ไวก็เสียหมดต้งหลอกใจร้อนทานทนไม่หวานสะเพรนี้ไม่มีปัญญามาได้ผลอันที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการมีเวทนาเราจะได้รู้เวทนาส ม, มาได้มาเป็นเดียดแล้วเขาพูดกันตามตลาวัดไป <c oughs> วัดบอกเบาๆฟังเขาสอน้าธิตเบาๆฟังเขาสอน ชีวิตรเราเกิดมาในสาวองยงมัว น, นอนหลวงเด่นในเินุการฝาไฟสามองกองเผาเสมอเจะเลินเลอ่อควรทำพระธรรมทาน <c oughs> ในไหนเราเกิดมาจะต้องตายยู่กันทุกคลไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้แล้วเวลาใกล้าตายยาตมิตรบอกให้คิดถึาางพราาะอัลลังพระอัลลังโลย่าที่ฉุดคุณกระพุธงางเพรากำลังเยธนาทุกข์ก่ เกิดเวทนาแล้วมันก็คุกมันก็ุ้งคลางจิตจะไม่สงบเลยไม่สงบนที่แรกจิตไม่สงบในร่างดวงจิต ด, ดับดับแต่ทำลายขันก็ไปนรกจิตใจก็สกปรกลามกไปนรกอันน่แนะอ้าจิะใจทัานสะอาดอยู่ในบ้านแล้วครอบครัวสามีภรรยา ปฏิบัติตรวจนมไหวเพลาปุกปลอบถ้ า, า จ, จะมีบุตรก็ น, นักบาชมาเกิดใจสะอาดนักบาชมาเกิดใจสกปรกสามนรกมากกเกิดเสียงพ่อเสียงแม่ทําไม่ตกว่าทำอะไรก็เสียงพอ่อเสียงแม่ให้มีมารยาคนที่มาจากนรกสังเกตได้ถ้าพูดจาสามหาวถ้าพูดจาไม่ระเบียบเรียบร้อยมาจากนรกเปิดนรกมันติดมา พ่อพยายามจะด่าพ่อด่าแม่เพียงพ่อเสียงแม่ทำในสุดว่าพ่อมาจากโนรกมาเกิดจากโนรกมาเกิดแล้วชาบ้านท่านนี้จากนรกมาเกิดคือสโโมามโทแท้ทก็เจ๊นแน่นอนมีกับหลานสมบัติผลานกิจาการไม่มาต่อเหียการให้บิด า, ามัรดาของเขามาจากโนรกขเสด็จนร ก, ก, กบุรุษคมรอยเลยก็กลายเป็นอมนุษย์กระทำ ถ้า ม, มีมนุษย์อยากจะเสียอยากจะฆ่าชีวิตจะไม่มีทำจะเป็นกิจกรรมจะครอบครัวได้อย่างไรเล่าขอเกินพรจากนัานนี่อยากท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยเวทนากําหนดเราจะได้คิดถึงตระหง่านอะไรเมื่อกี้ก่อนจะมาประชุมขนป่วยให้ออกขี้แย่งเอามาในรถขอให้มาพบอามารย์จะายก็ไม่ว่าขอให้มาพบ เมื่อคู่นี้ให้กำลังใจไปแล้วให้สติปัญญาเข้าไปหายความเกินมือกุดสเข่าขอใหม่ประผมออกจะพื้นขึ้นมาแต่ไม่าสามาจะพื้นคืนกลับดีขึ้นมาได้ถ้าจะต้องจากโลกไปก็ขอให้มีสติปัญญาอย่าหลงทางแต่พอตามบอกในเหล่าท่านทั้งหลายให้กรรมาถามคป็นเราเรียกว่าให้หลงทาง เราจะได้รู้ตัวเดินทางไม่ท่าดิดเดินทางถูกทิศถูกทางจะไม่เสียความเวลาแต่ประการใด น, นี่แหละพระพุทธเจาจึงสอนระหว่ามโนโบุคทางกมาธรรมามโนเพถานมโนโมัยานี่มโนโบุคทางกมาธรรมาธรรมะทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้านี่อย่นี้จิตเป็นหัวหน้าแน่นอนก็ดีทั่วที่จิตใจเรา ถ้าเราไม่ท้อตีสัมปชัญญะพวกคุณจิตไม่ได้แล้วรับรองได้เลยว่าทีวิตชันจะแจ่มใสมีวัฒนธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าใช่หรือไม่มนโนหรือจิตเป็นสิ่งที่ฉันผัานมากจิตกานุพัาสนาสดิษฐิฐานข้อที่สามจิตเป็นธรรมชาติต้องซึ้งอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์มาได้เป็นเวลานา น, านมาเพื่ประทึกเสียงพอป้อมหมดที่นิสตีนัคิดหนอ พิษหนอเป็นนั่นสุดไม่ใช่ไม่ได้กำหนดเลยทําอะไรก็ไม่กำหนดท่านจะเปิดปัญญาได้หรือปัญญาคืกับตัวท่านอยู่แล้วแต่ท่านไม่เอาปัญญาไม่ใช่ให้มันต่อปัญญาให้สูงขึ้นทําให้กองแก้ปัญหาได้ทางกอแก้ไม่ได้ยึดมโนธรรมคุยจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากในตัวเองเพราะมันเป็นกำหนดพฤจิกรรมหรือชีวิตของมนุษย์ ทั้งเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นไปของโลกด้วจุดเอนะโลโอมิยะติจุดที่ดีจะมีลักษณะสามประการจุดกามนิปัตนาติตปรานธรรมานิมามปัตนาติตปรานทำเป็นกุศโอาุู่สนเราะจะรู้ได้โดยมโนธรรมทางสามประการคือจุดที่มีสุขภาพดี จุดที่มีคุณาภาพและจุดที่มีสมัครภาพนัจะเกิดสามอาการนี้แน่นอนกําลังจุดสําถันหนกมีอยู่ในตัวท่านแล้วหรื อ, อย่างจุดเป็นที่มีสุขภา พ, ด, ภาพ ด, ดีไหมจุดทีีม่มคุณาภาพดีไหมและจุดที่มี ส, สมัครภาพดีหรืออย่างถ้าอยาญจะริญกรรมฐานให้หนะั ท่านก็ไม่มีอติดใจท่านอ่อนไหวจึงไม่เป็นตัวงตัวเองเลยไม่เป็นผู้นำของตอนไหนเลยระท่านจะมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้ดังกล่าวแล้วมี่และตามจเจรงกรรมาฐานต้องการมีลักษณะสามประการใช่หรือไม่จุดที่มีสถูกภาพดีนั้นคืออย่างไรองจะมีการต่อชู้กับเหตุผลได้ดีมากจุด ท, ที่มือคุณภาพดี มันจะมีลักษณะอย่างนี้ทำอะไรก็ เ, เกด็ดเดี่ยวทำอะไรไม่มีท่อและฝึกที่มือสมัครสภาพดีแข็งแรงอดทนออสู้ต่อการงานและหน้าที่นี่เนี่ยสมัครสภาพถางจะได้จากการเจริญกรรมฐ า, านด้วยการกันหมดนั่นเองในฐานะที่กาั้งหลายกำลังจะเข้าสู่ความเป็นผู้ปฏิบัติถึงงาน น mm ักปฏิบัติการคือกรรมฐานอ้องเลี้ยนอ้อมตามที่จุดก่อนเสมอคือจุดหนอโผล่และจุดมันเกิดก็เลี้ยนไปที่จุดอีกโผลดหนอที่ลื้นตีนเสียใจหนอดีใจหนอที่ไหนลิ้นเอวหายาจให้ยาวๆจะอยู่ในรถกระดาษอยู่ในห้องน้ําก็ะดาษตับเปิดตขึ้นมานั่นอยู่ตรงนั้นเอาอ่อน สาธิบายให้ท่านเข้าใจในวันนี้จะเข้าใจหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านละอตาตนาพยายามอาธิบายให้ลึกซึ้งเนี่ยพื้นฐานในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมการทํางานที่ดีคือกรร ม, มาฐานทํางานที่ดีคือต้องมีความรู้ความรู้ได้จากการปฏิบัติธรรมความคิดที่ดีเป็นสำคัญ ความคิดที่ดีตป็นสังารกำหนดคิดหนอคิดหนอใช่หรือไม่เพราะในการทํางานทุกอย่างจะ น, นำความรู้ความคิดของเราไปชู่งานการปฏิบัติงานทั้งโลกทั้งชาติเข้ามา น, นะที่จริงแล้วการจะเป็นนักปฏิบัติจะเป็นนักโลกนักธรรมพอปามเช่นนักวิทยาศาสตร์ นักพิจัยนักออกแบบนักพัฒนาก็ต้องเรียนต้นการที่ความรู้เรียนต้นกัรที่ความคิดด้วยความฉันชื่นใช่หรือไม่จะกา ร, าดากราไดเรียนต้นตรงนั้นทั้งนั้น ถ, ถ้าเรามีความคิดดีสติดีสมรรถภาพดีสุขภาพดีโยมจะมีปัญญาแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้น เคพูดในวันพระก็ลองนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้เครื่องสู่ที่สูงไม่ได้นกต้องมีขนคนต้องมีความรู้ถึงจะขึ้นสู่ที่สูงได้ใช่หรือไม่มาการปฏิบททัติธรรมทั้งหลายเอือนุน่นะนกไม่มีขนก็บินไม่ได้คนไม่มีความรู้ก็ ข, ขึ้นสูงไม่ได้มันก็มุดมุดปลูอย่างฝ่ายมุดตามอย่าง่ายมุดตามอย่าง พาสิจูนว่าอันหมายความว่านี่พาสิจูนความรู้ที่ดีจะทําิทธของตนให้สูงขึ้นความรู้ที่ดีจะทำสิทธิของตนให้สูงขึ้นเราไม่มีความรู้เลยปฏิบัติทำก็ไม่ได้รู้หนอลู่หนอก็ทำไม่ได้ไม่สานารจะให้สิทธิของตนขึ้นสูงมากฉันดัดยศและตําแหน่ง อานสูงขึ้นอัานเป็นผลอยได้ผู้ที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมและนักทำงานต่องอ่องลักในความรู้คือมันเกิดจากจิตของเราเกิดความรู้จึงแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาการทั้งด้านอ่านด้านเขียนด้านเรียนวิชา ตั้งใจแสวงหาทุกเวลาตลอดไยิ่งรู้มากรู้แจกรู้กว่ารู้ลึกรู้สูงมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากเท่านั้นแหละหมอไม่มีเอื่นใดแล้วท่ามกางทคนทั้งหลังนี่คือการที่จะได้มาซึ่งความรู้ไม่ยู่ง่ีประการ ทีกะเรเจริญสติประถานสีนี่เองการเจริญสติประถานสี่ก็จะได้ทางเผยเป็นภาษาไทยให้งงงับเจริญสติประถานสี่เนี่ยดูที่สุดแล้วเป็นทางไสยเอชของข้าป ร, ปรมโยคเชติที่กลางสแสดงไว้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อช่วความรู้มือฉีวิธีการเรียนอนดับให้ทา่านฟังจากง่ายไปหายากตรงนี้ หนึ่งความรู้จากจากการจําการปฏิบัติกรรมฐานจะเกิดโดยจําแม่นนทำอะไรจําแ่นเห็นหนอเห็นหนอเห็นด้วยตาความอยากจำแนนาำทั้งตาเสียงหนอเสียงหนอจําได้แหละแนนทำมาที่จำแน่นเพราะท่านมีสมาธิดีแต่เสียใจกับท่านด้วย พระปฏิบัติไม่เคยกำหนดไม่เคยใช้จิตที่มีประโยชน์เลยปุกาก็เลยจงครงกับนั่งอย่างเดียวไม่มีการเจริญสติปัฏฐานสีให้มันครบองค์ระบุงจอแต่ประการใดไม่สามารถจะครบดวงจอนั้นได้มีความหมายอย่างนั้นประการหนึ่งมีตระยาสำคัญถ้าโยนเจริญกรรมฐานหนึ่งความรู้จากความจำจำแนงหยาเลือกอย่าขัญยา จะจําแม่นทิสดสดขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นตาเห็นก็จำเนะหูได้ยินก็จำํำตมูอกได้สึงก็จํำดึงรับรถเตี๋ยวหวานมันเช่นก็จํจกจาการสัมผัสร้อนหนาวก็จำแอบแข็งก็จําเนี่ยมันจําได้เนาะข้าท่านมีสมาี่ดีถ้าไม่มีสมาธิท่านจะจําอะไรไม่ได้บางคนก็จำเมียไม่ได้จเถือไม่ได้อีก โดยอะฉับสนไปจนใหญ่้ณยาความจํานี้ได้จากการเจริญธรรมทานแม่นองที่สุดแต่จะไม่เลอะเลียงจะไม่เลียนเลอะจะไม่เลอะเทอะทําไม่ฉกปรอกจะมี้ต่ความสะอาดถึงข้าวเชลยแต่ชลาจะรับทานอาหารก็ไม่มุงมามไม่พุ้งฟานสะอาดตลอดเวลา น, นี่เนี่ยความรู้ได้มาจากความจําจากธรรมาน ตามตามปกติความรู้จับมาถูตัวเราเสมอเช่นสาให้โลกสาให้โลกอูดูยนเสียงจำได้ไหมเสียงหนอเขาด่าเราว้ยเขาด่าแล้วแล้วจะฆ่าเสียงหนอมึงด่าใครวะมึงด่าใคมึงด่ามึงด่าใครอูด่ามึงไม่ได้ด่ากูนะ มึงเอาไปให้โชคเลยเอาไปเมื่อความรู้เกิดจำจำเน่าไม่พยายาจําไอ้จำให้เรื่องที่ไม่ไปเรื่องยาวให้เรื่องให้จําไม่จำให้จำให้เรื่องเลี้วหลาหลักเลี้ยวหล่อแหล่เลีวหลไอ้จาทําไมบอกางคนี้มากันเยอะแยะเนี่ยเขาข้างอาบเยอะยะไม่ไปดูไปดูที่สกปรกไอ้เลิกไอ้ของไอ้อยากอยู่นี่ระวังนะผลจิตใจสกปรกของข้อบไปจบด้วยกัน เอ้เอมาลองขึ้นออกมาแรงวานจับมาขังกันเอามาขังไว้นะเอามาขังเยอะแล้รให้เรียกันรับไวแล้วให้มาแรงหวานไปไหนมาแรงวานไปไหนเพราะเาอยู่ตรงไหนนั่นแหละมันก็ไปหลังช่วม่องมาลองขึ่งจะไปไหนมันอยู่ที่ไหน อย่างนั้นหรือนยังพึ่งมาแต่กาวมุจร้าหรือเพราะอะไรฮะโอใคราะสอบได้ทีทหนึ่งคนละชั้นสามามือหลัท่านสาธุชนทั้งหลายควานจาได้มาจับเห็นรูปตาให้นรูปจำหูยินเสียงจรจมืดได้กลง่นจำนิ้วมือบดจำจำได้ทั้ง มีสมาธิดีมันก็จำได้แขงดีอูที่จะจําอะไรไม่ค่อยจะได้หรือจำอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่ามีความผิดกปกติคนที่จำอะไรไม่ได้มีผิดกปกตินะขาดอะไรรู้ไหมไม่ปกตินี้ม่ขาดอะไรขาดปติธัรมชาติไม่เป็นคนกปกติจะจําอะไรไม่แม่เพราะควงคาแล้วก็ไม่ว่าไม่ได้คา กินก็ต้องคุ้งคลิกเลยกลายเป็น เ, ปเบาหวานไปตายไปแล้วเนี่ยนี่ความจำมีใช่หรือไม่ที่สรมาพูดอย่านันี้คูกต้องหรือเปล่าไม่เคยอยากไม่อยากยจับจับบางทีบางคนมันเจอกันหน้ากัิคุณหน้าคะคุณหน้าจำหนูได้นะบางคนก็บอกว่าจำผมได้นะครับเขาคอน คนอย่างเธนียมอยากจะจำแล้วเราบอกจำพอได้ไหมโอ้ยรอม่มางวอย่างเง้คนเดียวมันองเดียวบางคนบอกว่าเนี่ยหนูจำป้ามาได้แะอยู่ที่เชียงใหม่อคนประทนี้ไม่อยากจะจาทำงานก็ีเลยจเลยเป็นตาลาไม่อยากจะจา มันคง ม, มีดีมันถึงจะจํำมันได้ใช่ไหมเนี่ยท่านสาวผู้ชนทั้งหลายนี่อยากกรรมฐานถ้าไม่เกิดความจําเกิดความรู้ที่จำได้แต่อย่าไม่เคยกําหนดไม่เคยกําหนดเลมันงทีขวาย่างเนอะกล้าย่างเนอเล็บเข้ามาหนอ เหลียวหนอแฟนกูน่าจะมาเยี่ยมกูหนอะนี่อย่างทีทงานเนี่ยคอยจะจำไอ้เรื่องพันธนี้ควรจะตัดกรณีพ่อกลางวมใช่ไหจําจำไอ้เรื่องพันธุ์นิยมธรรมะเนี่ยธรรมะธรมอาจารย์เนี่ยมาอยู่ในวัดสายวันเนี่ยจำอะไรได้มาจำแฟนได้ไหม นึกจะมาอยู่บ้านแกเลี้ยงแฟนแม่จามแฟนอยู่แต่เห็นเขามาสวยๆนี่คลิกบนยันให้บ้าหมนั่นอนกคอเบ้อ๋อนึกว่าเขาเปเพื่อนทุกกับยาเลยก็ทะยมที่จะขายะแล้วเลื่อนมาขายเหรอ มาเดี๋ยวไวมกันนะเออก็ใจตอต่อเป็นเนี่ยตอบเป็นแค่ได้อ๋อเห็นแล้วธรรมดาก็เหมือนเขาก็เป็นเพื่อนทุกข์กับเราเราจะไม่มองมองไหมมองนเขาก็มีความช่วยเหลือได้นะเอาละขอเสนอแนะเลยถ้าขาวอย่าไปช่วยนะ ถ้าแม่ไมาเสียก็ตายมีลูกตัางหลายคนควรเครื่อมาเป็นพี่เสกเอามาใช้เสียเขาไม่มีเขาไม่มีทีดเพื่อนในบ้านไม่ได้มีป่าเหรอในบ้านไม่ได้มีป่าเหรอในปัญหาเขาไม่ว่าแล้วเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาใชไหมถามจริงจิตถึงเขาลงไม เนี่ยโอ้โหไม่ต้องเจอคนเยอคนเดียวถ้าได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตันจะให้โล่โล่ถามมาดหมดเที่ยงหมดนาเลยเหรอยังมี้ไหมขอถามจริง ยังมีเพื่อมีงานไหมมีบางอารมณ์เอาละออกตรงแตถูกต้องถาบอกไม่มีเลยโกหกนี่แค่อารมณ์ใช่ไหมบางอารมณ์ก็ซุกเช้าใช่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ขอขอะคุณอาจารย์มาคหามีล่ะ มีมั้ยแบบเดียวกันมั้ยบ้างอารมณนใช่มไหมตาพี่เออนี่ก็คือภาวนาท่านบอกมีความรักอยูแบบย่คิดล่อบอกใครไม่ได้เพราะว่าท่านมีแฟนมากแบอบกไปเดี๋ยวแฟนก็จะว่าเขาอยู่คิดเยอะเนี่ยนะอยากท่านทั้งหลายเอ๋ย เมื่มีความรู้มาสูเา่เจเราจากกรมะถานนี้ก็จะต้องเกิดความรู้นั้นไว้สะสมไว้ในตัวเองคิดหนอรู้หนอสะสมความรู้ไว้ซึ่งยิ่งเก็ทําดังนี้นอเกดไว้ในส ม, มองขั้ตอนก็มีบ้างที่บอกให้คนอื่นช่วยจำไว้ให้ก็มีบ้างให้คนอื่นช่วยจํา น้หลับมันมากในการขอจดบันทึกคือ ง, ง้อนวัดพอปัจจุบันปัจจุบันนี้ยอมเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการความรู้หรือข้อมูลนั้นก็เรียกออกมาดูได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ไปที่นาทีบายแต่การเก็บความรู้ไว้ในบันทึกหรือคอมพิวเตอร์นั้นเราก็ไม่อา จ, จนําติดตัวไปได้ทุกที่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 ผู้มีความจําดีย่อมได้เปรียบหลายประการมีสมาธิดีได้เปือยบหลายประการโดยเฉพาะท่านจิตเป็นมักธุรจิตประกอบการค้าหรือจะเป็นครูบาอาจารย์นะถ้าความจําไม่ดีความจําเลียนก็เห็นจบพูดดีได้ยากหรือจะทํางานได้ดียากเพราะจําข้อมูลอะไรไม่ได้ พราะฉะนั้นพระที่ถือสอนจะกรรมฐ า, านหรือพระที่ถือเทศก็ต้องจําเหมือนกันทั้งนั้นแต่บางองค์ท่านก็มีปัญญาจําได้มากมายบางองค์ท่านมีปัญญาจําได้น้อยเพราะฉะนั้นหัวข้อสำคัญก็คือจิตตั้งสติปัญญาอาจจะถูกถามแล้วตอบไม่ได้หรือแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้แล้วแตเป็นพระ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 สมองของผู้ใดมีความสามารถได้ดัเปล่าวบันทึกได้ได้มากถือว่าผู้นั้นความจําเซนเลอร์ผู้ที่สมองคือจําไม่ได้ไม่ดีนะักส <c oughs> มองเสื่อมแย่มากก็จะจําอะไรไม่ได้ก็สามารถคนที่จาได้มาสามารถพัฒนาความจำของคนได้มากคอพีนาสังเกต สิ่งที่จะช่วยให้จาได้ดีมีดังนี้ออสิ่งที่เป็นลูกทำเป็นลูกปรธรรมจะจาได้ดีกว่าสิ่งที่เป็นานมามธรรมขออนำมับมาที้แจงให้ท่านฟังเสมอจะทำให้ไม่ลืมสิ่งนะั้นมันกาหนดจดจำหมายฟันฟังบ่อยๆดังที่คนโบราณว่า ของกินจำตรงนี้หน่อยสมาจารคุณเวลานได้งแต่สมัยยายของกินให้กินมันไปไงไม่กินแล้วไปไงของกินนี่ทไมกินมันจะไปยังไงไปได้งนะของกิไมกินถูกต้องไม่กินมันก็ไม่อิ่ม ถ้าไม่กินแล้วมันก็หนาวหนาวไหมแต่เดี๋ยวนี้มีตู้เย็นเจ็ดนะงานก็หนาวเข้า Co าเข้าท่าเข้าท่าเนื้อทำทั้งหลายเอ๋ยมันก็หของเาไ่เล่าเป็นไงนลืมแต่ไม่ลืมอยู่อันนึงไก็ไม่ลืม อะที่คนจะแก่ลืมไม่ได้ไม่ได้อลลาลัยไม่ช่าคู่ธรรมชาติคนนี้คือเอาค่อยยื่นเงินไปแล้วไม่ลืมหรอกวงถูกด้วยที่มันคือจะตายแล้วอาหังอาหลังนาจายอาหังเขาไปแบ่งข้ากันเออมันไ่าสี่ฐานวิมา อัห์งสิยายเดี๋ยวก็ตายแล้วมันได้กี่ทางกล่อมแม่แตอเขายื่เงินไ c จำแม่ราชการจำแม่ตรงไหนกมมไหนราเดืนออกเฮ้ยท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยของกินเนี่ยก็แบงอะไรินฮะอยากห เดี๋ยวมันดดก็เสียเ ด, ดมันก็หนาวเคิมากินใั้หมดในผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเย็ น, นทาหรือยังเนี่ยทาืยังเ่า อ, อะไรหรือว่าจ่าไเหรอจะทานคืนได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้จ้ะแต่ถ้าระท า, านก็ได้นะเดี๋ยวจะ เอาอย่างนั้นก็เอานี่อาจารย์ ท, ทั้งหลายเอ๋ยสิ่งที่มีคุณหรือมีโทษแต่ตอนนั้นเนี่แหลมันก็มีอย่างนี้ค่ะเราจําได้คือลูกประทับไม่ใช่นามาทํานามาทำมันอยู่ภายในจิตที่มันต้องฝังลึกบันทุกเท็หลักฐานทุกข์มากสิ่งที่มีคุณหรือมีโทษแต่ตอนหรือถึงที่อนทําเองจะจําได้งาง สิ่งที่คนอื่นทำจำยากถ้าเราทำเองจนะจำได้ง่ายที่เราทำเองนะก็ขอการเจริญพรจำได้ง่ายมากพอแต่ละคนมีวิธีในการจำต่างกันเช่นบางคนเห็นเลือตาจิงจะจำได้มั่นยามซึ้งอ๋อบางคนจำทางลูกบางคนได้ยินเสียงจิงจะจำได้มั่นยามเมื่อรู้ว่าตนถนัดในการจำ